242. ธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นของวิปลาสสีเป็นทนซึ่งวิปลาสในธรรมะนั้นแบ่งออกไปเป็นสี่ได้แก่หนึ่งวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงวันเที่ยงอะนิเจนิจะสั ญ, ญิโนคนผู้กำหนดผิดเพี้ยนในธรรมะทั้งหลาย ไม่ว่าในสัตว์จะทั้งสามัญและทั้งวิสามัญของฟิสิกส์หรือโลกุตตรธรรมล้วนสรุปว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้นิจจังอยู่นิรันดรเลยโดยเฉพาะดินน้ำไฟลมก็ดีพืชสัตว์บุคคลก็ดีดวงดาวโลกมหาเอกภพก็ดีไม่เที่ยงทั้งสิ้น ในทางวัตถุหรือฟิสิคอลก็ดีในทาง ส, สสารหรือพลังงานก็ดีทุกวันนี้รู้แจ้งกันหมดสิ้นแล้วว่าทุกสรรพสิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่ล้วนไม่เที่ยงสัเพสังขาราอนิจจามีแต่ปฏิสัมพัทธ์ของทุกสรรพสิ่งกับกาลเวลา (relative t i ที่ดำเนินไป วิทยาศาสตร์ก็สรุปแล้วว่าทุกสพสิ่งคือปฏิยาการคืออิทัพปจจยตาของอวกาศแห่งเอกภพหรือเทหะวัตถุแท่งทึบของเอกภพกับกาละ Space and Time of Continuum ทั้งสิน้นวิทยาศาสตร์ทางโลกรู้แจ้งในความไม่เที่ยงอนิจจงของทุกสรพสิ่ง ในเรื่องของฟิสิกส์เคมีแมชีวะขั้นพีชนิยามแต่ยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เที่ยงของกายองค์ประชุมกันของรูปกับนามคือยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความปรุงแต่งกันอยู่ของสรรพสิ่งกับจิตวิญญาณ เพราะยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานปรมา ธ, ธรรมอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์นั่นเองแม้ภาวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลงกันว่ายิ่งใหญ่ครองโลกก็ดีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สร้างทุกสรรพสิ่งก็ดีไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้น สำหรับพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงนี้สมบูรณ์แล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามพระเจ้าก็ตามก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นดังนั้นผู้ใดยังเชื่อมั่นอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเที่ยงย่างเยืนนิรันดรก็คือยังเห็นไม่ตรงกับพุทธศาสตร์ มีพิเศษยิ่งอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เที่ยงภาวะนั้นก็คือนิพพานนั่นเองที่เที่ยงและเที่ยงชนิดมีคุณสมบัติยืนยันได้ว่านิจจังเที่ยงทุวังยั่งยืนสัตสตังตลอดการนิรันอาวิปรินามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนอีก อาสังหิราังไม่มีอะไรหักล้างได้อาสังกุ ป, ปังไม่กลับกำเริบตายแล้วไม่ฟื้นซึ่งนิพพานนี้เป็นภาวะที่คนผู้สา ม, มารถปฏิ บ, บัติบรรลุภาวะพิเศษนี้ในความเป็นจิตปิญญาของตนเท่านั้นที่จะมีจะเป็นได้ในที่อื่นไม่มีเป็นไปไม่ได้ สิ้นสุดการเปรียบเทียบนัดิอุปมาสองวิปลาสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขทุกเขจะสุขสัญญโน 3. สวิปลาสในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนอนัตตานิจะอัตตานิสวิปลาสในสิ่งที่ไม่น่าพึงใจว่า เป็นสิ่งที่น่าพึงใจ